ด้วยความเจ็บไข้บ้างด้วยรูปลากบ้างด้วยกิเลสบ้างด้วยอาบัตบ้างด้วยคําด่าที่หยาบบ้างจริงหรือพวกภิกษุชาวพัปปคีทวนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าฆ่าพระผู้มีพระภาคทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนพวกเธอจึงทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลดีงามกล่าวเสียดสีภิกษุผู้มีศีลดีงามด่าสพประมาทด้วยชาติกําเนิดบ้างด้วยชื่อบ้าง